ฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยมตั้งใจฟังการฟังธรรมะหรือฟังคําพูดฟังผู้บรรยายหรือฟังผู้เว้าลฟังแล้วตั้งใจฟังฟังแล้วนําไปปฏิบัติตัวเองไม่ใช่ว่าฟังแล้วจําได้เอาไปพูดไม่ใช่อย่างนั้นจำเพื่อเราจะเอาไปปฏิบัติดังนั้นวันนี้ก็จะ ได้พูดให้ฟังอีกเพราะว่าเราเปิดอบรมกันมาตั้งแต่วันที่สามสามสิบตอนเย็นวันที่สามสิบก็คงจะไม่ได้ทํากันมากเท่าไหร่วันที่สามสิบเอ็ดก็บางคนก็รู้จากทิศทางได้ทํามามากบางคนก็ยังไม่เข้าใจเป็นวันที่หนึ่ง ที่สองที่สามวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วที่เรากำหนดกันว่าถึงวันที่สี่ก็จะมีการสลายตัวกันไปนั่นอยางไงดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สี่หรือว่าวันที่ที่สี่เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบอนเซา <c oughs> สำหรับผมหรืออาตมาจะได้นำข้อแนะนำให้พวกเรา จดจำแนะนําออกไปปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลไม่อื่นไกลมาแนะนําตั้งแต่ของที่มันมีอยู่แล้วในเราหรือไหนทุกคนดังนั้นเมื่อจะเปรียบเทียบแล้วก็เสมอเหมือนหรือว่าเราลงเรือจะข้ามไปฟากเบื้องนูน้นอย่างที่สมมติเอาเราอยู่ข้างน้ำเจ้าพญาเบื้องนี้แล้วจะข้ามไปข้างนูน้น บางคนไม่รู้จักลงเรือไม่มีท่อไม่มีพายบ้านหลวพอเรือไม่ท่อไม่พายมันมาท่อพายนหลวงพ่อก็ไม่ถนัดนอกจากจะถูกไม่ถูกข์ก็ไม่รู้จักต้องลงเรือต้องเตรียมท่อเตรียมพายไปพอดีลงเตรียมท่อเตรียมพายลงไปแล้วเรือแตกเลยบางคนสมมุติให้ฟังพอดีเรือแตกบางคนก็กลับคืน บางคนก็จมไปไม่ทันได้มีอะไรจะทั้งนั้นไม่ได้นี่ว่าไม่ได้มีสติบางคนจมลงไปถึงพื้นดินน้ําท่วมศีรษะท่วมหัวยันขึ้นมาไม่หวิดหัวเลยนา้ามันท่วมศีรษะท่วมหัวอยู่จมลงไปตายเลยตนนัวนี้อันนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังบางคนมาเห็นดูท่าที่เออคงจะไม่ได้เลือ่องกลับพื้นก็มีบางคน บางคนทำได้เพียงขณะหรือวันหรือสองวันไม่รู้จักทิฏฐานเลยเลยแล้วไปไม่สนใจเลยแสดงว่าเราไปไม่ได้คุณบางคนจมลงไปมีกำลังแรงยันขึ้นมาน้ำพอเพียงพอนี่เลยมองเห็นตบฟ่งเบื้องนั้นเบื้องนี้ก็เห็นแต่เบื้องนี้ไม่เอาเนจไปข้างนู้นตัดตรงไปเลยลอยไป พอดีไปถึงใกล้ๆฟังเพียบันหนุวพอเรียเมื่อยหลายเพี ย, ยหลายก็เลยพอดีเลื่อมมือเลื่อตีเลื่อะไรถึงดินก็เลยนอนเลยนอนเลยเมื่อยหลายอันนี้ก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติธรรมะรู้จักเพียงรูปนามยังมีข้อสงสัยจะขึ้นไปบนบกไม่ได้ดังนั้นเราจึงรู้จักรูปนามแล้วก็ต้องคิดนูน้นคิดนี้รู้นั้นรู้นี้ เหนื่อยเียกว่าสมมุติว่าเมื่อยเนี่ยนอนเลยหรือออกหัวหนุนดินก็ได้จะว่ายัางไงก็ได้ น, น, นเป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้เป็นเพียงสมมติคนเราจะไปให้พ้นจริงๆต้องมีกําลังต้องมีศรัทธาอย่างแรงวันนี้พายไปอีกบางคนนะลงเรือแล้วพายไปไปถึงกลางวังพอดีน้ําลึกนะทีนี่น้าลึกมากก็เลย เหื่อก็จะจมเขาที่นั่นแตกเหื่อแตกว่าคนก็เจมน้ำลงไปคนที่มีกําลังแข็งเลยจมไปถึงพื้นดินพล้ียันขึ้นมาแรงแรงโผล่ลขึ้นมาโผลขึ้นมาน้าพอเพียงคอนี่หรือเพียงใต้แลนี่มาก็มองเห็นตัอฟังข้างนั้นข้างนี้ไปเลยขุนลอยไปมีกําลังแรงลอยไปไปถึงทางนู้นเรียกว่าขึ้นไปบนบกก็ได้สมมุติเอานะ ขึ้นไปยางอยู่บนบกก็ได้แล้วคนหนึ่งจมลงไปยันขึ้นมาแรงๆเพียงพ้นขอนี่นะมองเห็นตะฟังกลอยไปไม่ถึงก็ไม่ถึงตะฟังไปถึงที่น้ำตื้นๆหรือว่าจะเพียงแห้งเพียงขาเพียงเท่าใดก็กินงเพียงสมมุติก็เลยนอนพักผ่อเนเมื่อยมากแสดงว่าคนนี้ได้บำเพ็ญทางจิตแล้ว ดูจิตใจตัวเองแล้วไม่สงสัยแล้วเรื่องรูปนามเรื่องทุกขงังอนิจจังอนาาัตตาเรื่องสมมติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญไม่สนใจไม่แสวงหรือไม่คล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ตั้งใจบำเพ็ญทางจิตเพื่อจะเข้าใจปรมามัต์แล้วคนนี้บันนี้คนที่ไปถึงฟังแล้วแสดงว่าเข้าใจปรามัต์แล้วขึ้นไปบนบกก็ได้หรือยเมื่อยมากนั่งอยู่หิมตะฟังนามก็ได้คนนี้น อันนี้แสดงว่าไม่คลองแวะในกิจใดๆทั้งหมดเลยเป็นความสมมุติให้ฟังหรือว่ารู้จักมรรคผลก็ได้รู้จักทิศทางไปก็ได้อีกคนหนึ่งพายเข้าไปแต่ใกล้ับฝั่งเลือก เ, อเลยแตกจมู้น้าพอเพียงเอืกเพียงแอวนี่ก็มีค น, นเดินไปแต่ว่าเดินไม่ได้เพราะน้าไหลจำเป็นต้องลุยต้องลอยไปขึ้นไปบนบกได้ไกลคนนี้ จะไปหาที่พักก็ได้เพราะว่าไม่เมื่อยมากเนี่ยบวงเมื่อยมากเท่าใหร่ไม่ได้ลอยน้ำเหิงยู่ได้แต่ไม่ได้ท้องน้าอยู่นานก็เลยขึ้นไปไปยังไม่ได้ถึงที่นั่งเลยยังไม่ได้ที่นั่งจะนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ยังไม่รู้แสดงว่าทาลายโทสะโมหะโลภะหรือว่าเข้าใจเรื่องวัตถุปรมัดอาการหรือว่าเห็นรู้เข้าใจมีสัญญาดีแล้ว มีญานวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์เดินไปได้ไกลคนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงที่นั่งที่นอนได้อีกคนหนึ่งสมมุติเอาข้ามฟังไปแล้วน้ําอย่างเพียงแค้งหรือเพียงเครึ่องเข้านีนะ่ก็เดินไปเจ็บแข้งเจ็บขาเหนื่อยก็พักค่อ แสดงว่าคนนี้เห็นรู้เข้าใจปรมัิดุลรู้วัี่ว่ากิเลสตัณหาอุปทานกลั่มนี่ลดน้อยไปแล้วคนนี้ยังไม่ได้ทีนั่งเลยอันนี้ที่เราพูดเราคุยกันมานั้นพระพุทธเจ้าตายหรือพระนิพพานมีคุูบาอาจารย์เล่ากันหลายเรื่องว่าพระอนุตถะหรือพระอนุหรือพระสัรีบุตรหรือพระ อ, รอะัศปะองค์ใดองค์หนึ่งท่านว่า เข้าสารแต่กับพระพุทธเจ้าเลยก็แสดงว่ารู้จักทิศทางรู้จักระยะเวลารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรขันว่าอะไรเป็นอะไรนี่หลวพอว่าบ้านหนลวงพ่อันใดเป็นอันใดรู้จักระยะบอลผ่อนสั้นพ่อเงาวพอนป่งพ่พพหวางจร่งว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วก็กลับคืนความจริงท่านสอนให้รู้จักให้เข้าใจอันนี้เพื่อจะไปสอนคนอื่นให้รู้จักให้เข้าใจใ น, นเช่นเดียวกันกับ ที่เรารู้เราเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจถึงต่ออยม่แม้จะเข้าไปกับพระพุทธเจ้าคือรูปเหมือนกันทันว่าอย่างนั้นแต่เราไปตีข้อมไม้มันเข้าใจกันยากวันนี้อีกคนหนึ่งเดินไปก็ตามเลือดพายเรือก็ตามพอดีไปถึงตะฟานก็เดินไปเดินไปยังไม่รู้จักทิศทางอันนี้แสดงว่ากรรมาฐานยังไม่รู้จักไปเลย ไม่รู้จักทิศทางที่จะชิ้นสุดได้วิปัสสนากรรมฐ า, านนันจึงเป็นเพื่อนกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้หลวงพ่อเคยสมมุติให้ฟังทําไมจึงไปด้วยกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันอ้าวสมมุติภรรยาสามีก็ตามลูกก็ตามพ่อแม่ก็ตามเลือกบุตรวิดามารดาก็ตามเข้าไปในวงการพนันแล้วไว้ใจกันไม่ได้พ่อก็จะเอาของแม่แม่ก็จะเอาของพ่อ ลูกเขจะเอาของพอ่พอพ่อก็จะเอาของลูกไว้ใจกันไม่ได้ความเล่นการพนันเนี่ยในวงการพนันเนี่ยจะรักกันเท่าไหร่ก็ตามไว้ใจกันไม่ได้ดังนั้นสมถะกรรมฐานก็ตามนิพพานากรรมฐานก็ตามจะไว้ใจกันไม่ได้คนใดชอบกรรมฐานนันงนิ่งๆให้มันสบายใจเนี่ยความสบายแบบนั้นสบายแบบไม่อยากสบายเพราะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จะนั่งจะนอนอยู่ที่นั่นไม่ได้เห็นไหมยังไงเลือดสมมติว่าเราลงเลรือเรือเราแตกเราก็เดินไปได้แต่ว่ายัางไม่รู้จักทิศทางเป็นยางไงผู้ที่ทำลายกิเลสตัณหาอุปทานได้ก็มาถึงเพียงรู้จักทิศทางยังไม่รู้จักวางกรรมฐานได้แต่ว่ามีสศรัทธาเต็มที่คนที่เดินไป แต่ไม่รู้อารมณ์เรียกว่าสมถะกรรมฐานไม่รู้จริงๆหลวงพ่อคนอื่นจะรู้ก็ได้แต่หลวงพ่อไม่รู้ทำมานานไม่รู้ว่าวัตถุปรามัตยอาการโทรสะโมหโลภเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้หลวงพ่อไม่เห็นไม่รู้รูปนามไม่พอพิจารณาได้คิดเอาตาเห็นเป็นรูปรู้จักเป็นนามนามคือจิตใจรูปที่จัถูกด้วยมือ อันนั้นครูบาอาจารย์สอนดังนั้นที่บอกครูบาอาจารย์บางท่านคนที่จะจเจริญวิปัสนาจำเป็นต้องเรียนอารมณ์ของวิปัสนาเส้นขันห้าอายตนะสิบสองาต1สิบแปดอินทรีย์2ีสิองอนิยัสสติปติจจะสมุปบาตท่ทานให้เรียนจะเรียนสิ่งเหล่านั้นมันไปยืมออกกับตำรามาพูดไปยืมเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดไม่ได้ศึกษาของเกิง ของจริงแตแท้ๆไม่ได้ศึกษาเลยไปติดอยู่กับตำราก็เลยไม่รู้จักทิฏทางอันนี้แสดงว่าเราลงเหลือไปถึงน้ำนึกแล้วกันเรือแตกจมลงไปเลยเพอไปติดกลมสบายติดอารมณ์เป็นอย่างนั้นบัด น, นี้ผู้ที่มีความหมายว่าจุดประสงค์ของเราจะไปถึงที่นั้นมองเห็นตะฟังเลยจําพวกนี้คือว่าทำลายกิเลสตัณหา อุปทานกรรมได้แต่ศินกรเลยปรากฏขึ้นมาเมื่อสิลปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะกายปกติวาจาปกติใจปกติควอมปกติน้วยนะจ๊ะว่าเป็นศินไม่ใช่ศิลห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สินอันนี้ศินนั่นจึงมีแล้วในคนทุกคนถ้าหากไม่มีศิลเราจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ย ฟังผมพูดหรือฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนี่เหลยควมปกติเดียวเป็นสิน่งเป็นวินยัยเป็นธรรมครบสมบูรณ์แล้วที่เรามาทำจังหวะพลิกมือขึ้นคั่ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอันนี้เรียกว่าเรามีปกติมีสิ่ง พอดีมีปกติมีศินแล้วเรียกว่าศินขันสมาธิขันปัญญาขันคือรูปขันก็มีศินเวทนาขันก็มีศินสัญญาขันก็มีศินสังขารขันก็มีสินญวทีขันก็มีศินเรียกว่าศินมีศินห้าก็ได้ศินตัวเดียวก็ได้ศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้เพราะมันสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้แปลว่าเรารู้จักนามรูปรูปนาม รูปนามเนี่ยพอเดียรารู้จักแล้วไม่สนใจมากรู้แล้วกันแล้วกันตอนนามรูปคือเรามาเห็นวัตถุปมัตลาอาการโทรสะโมหะโลภะอันนี้เป็นวัตถุนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ว่านามรูปเนื่ารูปซีขันซีก็ได้อันนี้เป็นรูปห้าหรือขันห้าก็ได้อั น, นั้นคือว่าเราเห็นเทวดาแล้ว เราเห็นผีแล้วมีตาทิพเข้ามาแล้วมีญาณแนี่เท่าไว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้กระแสพณนิานเป็นนักเป็นผลขึ้นมาแล้วถ้าโคตรตามอุดมการเรือกความเห็นของตัวเองเนียว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้เป็นผู้ชายก็เป็นพระได้เป็นคนธาตได้ก็เป็นพระได้พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐ จิตใจประเสริฐแล้วจิ่งเป็นการทําบุญวันเกิดเกิดแล้วเมื่อนั้นวันนี้เกิดแล้วเป็นบุญทุกวันทุกวันอยู่โดยไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์นั่นคือบุญนะเข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนเลยลูดจากกรรมฐานเพราะว่ากิเลสอย่างหยาบพ้นไปแล้วคือเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างไม่เป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมลดน้อยไปแล้วเข้าใ <c oughs> จยางนี้ บังนั้นสินจึงปรากฏแในตำนาบอกว่าอาธิศินสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอันนั้นคำพูดดื่มตำรามาพูดแต่ตัวผมเองหรือตัวของอาตมาเองตัวลหลวงพ่อเองนั้นเข้าใจสินขันเพราะอันนี้มันเป็นขันขันดีจึงไปตักน้ำได้กินถ้าขันแตกแล้วตักน้ำไม่ได้กินถ้าขันดีไปตักอาหารหรือตักข้าวไปถวายพระก็ น, น่าสัง่ง ถ้าขันไม่ดีขันตุกปุกตักเข้าไปใส่บาตก็ไม่น่าสังยึดตักอาหารก็ไม่ได้กินนย่างเข้าใจอย่างนี้วอมสมมติเปรียบเทียบให้ฟังดังนั้นพวกเรามาที่นี่เป็นผู้มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์แล้วคือจริงว่าพูดให้ฟังทั้งเช้าทั้งเย็นตอนสันก็พูดวันนี้ทําวัดเช้าพ่อนามาร้อให้ฟังอีกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ซีของงานแล้ว บางคนก็จะกาหนดวันที่สี่ก็ต้องไปแล้วไปแล้วเนี่ยบางคนบางคนก็วันที่สี่ก็สอบไม่ได้เพราะยังมีลมหายใจอยู่เราต้องทำบางคนเขาใจอย่างนั้นก็มีนะคนเชื่อวันที่สี่ก็ต้องไม่หยุดเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ไปไหนมาไหนก็มีสติหรือมีความรู้สึกตื่นตัวตื่นใจตื่นอยู่เสมอไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่ห ล, ลงความคิด มันคิดขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจโอ้นี่เรียกว่าสงบสงบแท้ๆพอเห็นใจเราอันนั้นที่สงบน้ำลึกๆนั่นน่ะมันเดนเรียกว่าอารมณ์เมื่อเรารู้จักอย่างนี้ก็เรียกเห็นกามารมณ์เรียกากามาสาวะทวาสาวะอวิสาสาวะกามาสาวะพวกเท่จมอยู่ในน้ำลึกเรียกว่าสมถกรรมฐานเรียกตกอยู่อำนาจของกาม ยังไม่รู้จากทิศทางยังไม่มีอ า, ารมณ์เมื่อออกจากความสงบมาแล้วก็มาพิจารณาถึงอสุภะรือว่าเมื่อหนังเส้นเอ็นเป็นหนองเป็นเลือดะเป็นเข้าเป็นโคงรงพิจารณาเอาเองไม่ได้เห็นด้วยญาณปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสัญญาเพราะสัญญาตัวนั้นยังไม่ปรากฏที่เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวอันนี้แหละสัญญาสัญญาอันนี้คือรู้สึก ทิศมือขึ้นก็รู้สึกคขั้วมือลงก็รู้สึกก้มลงก็รู้สึกเหนืยขึ้นก็รู้สึกเหลี้ยวซ้ายก็รู้สึกเลี้ยวหัวก็รู้สึกทิศตาก็รู้สึกตาเลือดซ้ายแรงขวาก็รู้ความรู้สึกนี่ว่าสัญญาทำนาท่านว่ะปติคนมลึกได้สัมปตาทะนักคมรู้ตัวท่านว่ะอันนี้ไม่ต้องพูดว่าสติสัมปะความรู้สึกนั่นเรียว่าสัญญา ถ้าเราเป็นบาทเป็นแผลอยู่ที่รี่รับเราก็เห็นได้รู้ได้เพราะเราเป็นบาทเป็นแผลอยู่ที่ไหนคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้เพราะตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนเห็นนีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิของผมเองสัมมาทิฏฐิของอาตมาเองไม่ได้ไปยื่งอดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องเดินตรงกลางอนันเป็นคาพูดตำราเป็นคาพูดของครูบาอาจารย์ แต่เป็นคำพูดของตัวเองจริงๆแล้วคือเห็นตัวเรานี่เองกำลังนั่งกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนหรือเดินไปไหนมาไหนก็รู้อันนี้เรียกว่าสัญญาัาสัญญาอันนี้เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรียก ว, ว่าหยานี่ปรัชนาเข้าไปรู้มันเข้าไปรู้ไม่ใช่มันเข้าไปคือความรู้อันนั้นแหละสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ก็เลยเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าญาณิปัจฉนาหรือปัญญาลอกรู้ทันว่าอย่างนั้นคำพูดนะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวจริงคือตัวเรารู้อย่างที่หลวงพ่อพูดวรู้ลูกลูน้ำรู้ลูการทำนามธรรมลูกลโรคนามโลกลูทุกขังอนิจจังอนัตตาลูสมมุติลูศาสนาลูพุทธศาสนารูบาปลูบุญมาอยู่ที่ได้พักหุ่นเพราะเรายัง ฆ้าไม่ได้มองเห็นต่อฟังอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบนี่บัดนี้ทําความเพียรลงไปละเลิกความรู้คิดเห็นต่างๆและตํำรับตําราอะไรต่างๆมาจับตัุ้แควมรู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกทําวิธีใดรู้สึกก็เลยเห็นวัตถุเห็นปรมาเห็นอาการเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเห็นเวทนาไม่เปทุกข์เห็นสัญญาไม่เปทุกข์เห็นสังขารไม่เปทุกข์ เหตุที่วิ่งเนี่ยในทุกอันนี้พักหนึ่งหยุดอยู่นี่พักแล้วทำมากเข้ามาเข้าก็เลยมีความปรากดเข็นกิเลสตัณหาอุปทานกรรก็มาหยุดอยู่นี่เลยมันเป็นพักเป็นพักไปทีว่าเข้าสารไปกับพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นคําพูดแต่เราอาจจะรู้อย่างนั้นก็ได้หรือไม่รู้อย่างนั้นก็ได้หรือจะเข้าสารไปต่างพระพุทธเจ้าก็ได้หรือจะเพียงคำแน่แนวให้รู้จักอารมณ์ก็ได้ พราะเราไม่ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนยังไงพูดในภาษาอินเดียคนไทยไปเรียนภาษาอินเดียมันเป็นของยากเมื่อรู้จักอย่างนี้ก็เลยพวกกรรมาฐานไม่รู้อันนี้ยังไปติดอยู่เพียงอารมณ์ความสงบเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดคนอื่นนะพูดตัวเองที่เอาเรื่องตัวเองมาพูดพูดตัวเองที่เอาความรู้ความสัมผัสตัวเองมาพูดไม่ได้ไปยืมคําพูดของคนนั้นคนนี้ และไม่ได้ไปยืบเอาตํารามาพูดเลยตํารานั่นดีแล้วคําพูดของโอบาอาจารย์นั่นดีแล้วเราจะเอาเขาพูดของเรามาแสดงเพราะเรามีอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จึงกล้ารับรองคําพูดของตัวเองได้และคนอื่นก็มีเหมือนกับตัวเองจังหว่าสัตทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตคือกันเมื่ออย่างไม่รู้ก็สงสัยลังเลอย่างนี้แหละเมนี้เมื่อรู้จักกาม นี่บอกา ม, มารมกา ม, มาสาวะเรี่บอกกา ม, มารมอารมณ์ทางหูทางตาทางจมูกทางเล่นทางกายทางใจยินดีเลยหรอกกา ม, มาลมตกอยู่ในอํานาจของกามคําว่ากามไม่ได้หมายถึงเพศตรงกันข้ามอย่างเดียวกามหมายถึงอารมณ์ที่เราชอบเราพอใจนั่นแหละเดี๋ยวเป็นกา ม, มาลมเนี่ย ก, กา ม, มาสาวะอาสาวะคือกิเลสภาวะสาวะตกอยู่อํานาจของภพธาตเกิดแก่เจ็ดตายก็ได้ หมือความคิดมันยินดียินร้ายก็ได้นี่ว่าะวาสาวะเนี่ยเป็นพบเป็นซาดเป็นทุกขันวะอย่างนั้นอวิชชาสาวะคือไม่รู้จกักทิศทางที่จะเดินไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเร็วอวิชชาจึงแปลว่าไม่รู้เพราะมันรู้อยู่ในกวามคิดดังนั้นพระพุทธเจ้าพูดสภาวกฤตว่าท่านจงหีหนีจากนี้ไปจากนี้อย่ามาอยู่วยสันเนี่ยทันวัย ย่าไปยุกอารมณ์อันนั้นเพราะว่าอารมณ์อันนั้นมันเป็นการผูกมัดเหมือนกับนกอยู่ในตุ้มนั่นเองจะออกไปที่ไหนไม่ได้พระวรกลเล็กก็จะไปโจนเหว่ตายไปอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคําพูดถ้านจึงว่าหนีจากอารมณ์อันนี้เหมันพ้นย่าไปติดคมคิดอันนี้เทียงโลกปวารสื่อนนี้แล้วไปติดคมคิดเหมือนแบบนั้นเพราะความคิดนั่นน่ะมันเป็นอารมณ์มันเป็นอวิชชาอวิชชาจึงแปลว่าไม่รู้วิชชาจึงแปลว่ารู้ เมื่อเท่งอารมณ์เหล่านั้นจับแต่ความรู้สึกรงรู้ว่าเหมือนพอได้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวพอวันนี้มันยังคิดเข้าใจดีพอเดี๋มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บแมวมีกําลังหนูตัวโตเท่าใดมาแมวก็จับปุ๊บหักคอเลยพอดีหนูกระดิกตัวจะวิ่งไปแมวมันตกปุ๊บเลยอันนี้ก็แสดง ว, ว่ามันนึกว่าจะคิดปุ๊บรู้จักทันทีหลวงพ่อยังเปรียบว่าคนสองคน นอนเฮียงกันอย่างนี้คนนี้พิถีพินตัวนี้ก็รู้เลยคนนี้พิถีิถันนี้ก็รู้เลยเพราะความเร็วของปัญญาเพราะความเร็วของการรู้แจ้งเพราะความเร็วของสัญญาจสัญญาจึงหมายรู้และจําได้ทําให้เกิดญาณปัญญาเพราะสัญญาตัวนี้เองไม่ใช่ว่าสัญญาเอาของไว้ที่นั้นนาฏิกานี้ได้จากเวลาแล้วอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนและสัตว์มันไม่ใช่เป็นสัญญาของพระเดียกเจ้า สัญญาของพระเนรเจ้าน่ะสัญญาเกิดมาจากกฎของธรรมศาสตรจริงๆดังนั้นพวกเราฟังและประพฤติปฏิบัติตามต้องทำจริงพูดจริงเป็นคนมีศรัทธาเหลือแต่เราคุ้งไปแรงๆไปถึงกต่ฟังยังไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเดินขึ้นไปหาที่พักผ่าอาศัย ห, หน่อยเมื่อเรามีที่พักผ้าอาศัยนั่งที่ไหนก็ไม่มีน้าหลพอทีว่าบม่มีน้ำ ว่ามีขั้วปัดดีๆแล้วก็นั่งได้นอนได้แต่ว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอดีเรารู้จักอวิชชาดีแล้วเดินไปเราก็รู้จักอ่ะอันนี้เลยว่าทบา ป, า ท, ำบาปาทำบาปด้วยกายถ้าหากสวรรค์มีไปเกิดสวรรค์สั้นไหนแต่เพียงทําบาปนียเออหลวพ่อว่าหลวงพ่อว่าทําบุญทําบุญทําดีด้วยกาย เพียงทําสกายเท่านั้นเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ทําดีแล้วนี่ยกายไม่ทุจริตแล้วนี่ยถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีจะไปเกิดสั้นไหนนานกี่วันกี один, ่เดือนกี่ปีรู้จักอย่างไงบัดนี้เราทําดีบัดเนี้ยด้วยคําพูดเพียงพูดนิ่ม น, นวลพ่อพกับหูคนถ้าหากสวรรค์มีและนิพพานมีจะไปเกิดสวรรค์สั้นไหนไปนิพพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วัน เราจะรู้จักเองคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้อันว่าอย่างนั้นบบบ น, นี้ทําดีด้วยใจเลยใจมีแต่คิดดีทั้งนั้นไม่ได้คิดเป็นอกุศลพ่อคนคิดมันเป็นอกุศลขึ้นมาเราเห็นเรารู้มันคิดปุ๊บหลวงพ่อเปรียบว่านักมวยซกใส่ลุ่มตาทีเดียวมาเถอะครูต่อสู้เดนเอาชนะทันทีเลย การที่หมวยดีจะเป็นเซมเปียนไม่ได้เรียนอยู่กับครูต้องไปประสบพบเห็นเอากับในเวทีกับคู่ต่อสู้นี่นพ่อเปี๊ยกให้ฟังพอเดียบางทีปพบเห็นตัน้งโอ้เนี่ยถ้าหากว่าทำดีด้วยใจถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีตายได้จะไปเกิดสวรรค์กี่ปีกี่เดือนต้องรู้จักบัดนี้กายก็ทําดีอย่างที่เรามานั่งอยู่นี่เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์นักสัพย์ ทำพูดกงไม่ได้แต่โกหกพูดเท็จใจก็คิดดีๆไม่ได้ดึงกันไปทางอื่นเลยดึงเข้ามาหาเจ้าลูกเจ้น้ำดึงเข้ามาหาเจ้าคมนึกคมคิดเรียกว่าทําดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันทั้งหมดเลยตายไปหมดถ้าหักสวรรค์ น, นิพพานมีจะไปเกิดที่ไหนต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจอันนี้เรียกว่าเข้าสารไปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายโดยวิธีไหนจะได้ดูอย่างนีน้ในทางตรงกันข้ามทําบาปด้วยกาย คือกลายไปฆ่าสับยักษ์สับถ้าหากนรกมีจริงอาวจีมีจริงจะไปจกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนจะรู้จักการทบทวนอย่างนี้ปันนี้ทําบาปด้วยคําพูดโกหกพูดเท็จพูดไม่จริงเพราะเราไม่รู้จริงจับคํานั้นมาพูดจับคํานี้มาพูดเลยว่ายืมจากคําพูดคนอื่นไปอ่านจากตํารามาอันนี้ท่านวัเดเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยท่านวัด เขาจะเดินไปดี<ม>เจ้าของประกาศซากลากดึงเขาไว้จันวันอย่างนั้นเมื่อตายไปจะไปตกนรกขุมไหนไปตกอวิชฌิตรคุมไหนไไห น, นานกี่ปีกี่เดือนรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเห็นทร์วบัดนี้คิดอิสานที่สยามเบียดเบียนคนนั้นคนนี้กลัวเขาจะดีเหลือเรากลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จันทร์วันใจคิดตายไปแล้วจะไปตกนรกขุมไหนไปตกอวิชฌิุมไหน งานกี่ปีกี่เดือนรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเพราะไม่มีอวิชาแล้วไม่มีกรรมารมณ์แล้วไม่มีพบไม่มีทราบแล้วเรียว่าไม่มีการมาสวะไม่มีภาวาสวะไม่มีอวิชาสวะมีแต่วิชาควมรู้แจ้งรู้จริงมูแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันเข้าใจอยู่งนี่พอดีเข้าใจอย่างนี้ทำบาป้วยกาย้วยวิจาโดยใจพร้อมกัน ขาดช่วงกันทันทีเลยเรียกว่าสภาพหรืภาวะความเป็นอยู่ของรูกจะเข้าสู่กับความอยู่ของรูปความเป็นอยู่ของจิตจะเข้าสู่ความภาวะของจิตทันวัตอย่างนั้นเรียกว่าอาการเกิดดับทันติว่าโยจัวัตตังสิเวอัปัสสังอุทยพยังเอกาหังสิวตังเสโยปะสะัสโตอุทยพยัง คนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากยังไม่รู้อย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่สัมผัสอย่างนี้ไม่แจงแจ้งอย่างนี้อายุหรือชีวิตของบุคคล น, นั้นเกิดมาเป็นคนเป็นโมฆะเป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทันวันอย่างนั้นแต่มันก็นมีทำนาทำสวนซื้อขายได้กินได้แต่มันไม่มีประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนามันไม่มีประโยชน์ทางพ้นทุกข์ทันว่าอย่างนั้น แบบ น, นี้บวดมาตั้งแต่ตัวเล็ก เ, ลเอก เ, เกิดมาตั้งแต่ตัวเล็กเลเกิดมาเพียงวันเดียวรนะู้จักเห็นเข้าใจแก่งแจ้งสัมผัสดได้สภาพภาวะอาการเกิดแับ น, นี้ดีกว่าบุคคลเกิดมาร้อยวันพันปีนั้นทันวะยางที่พวกเราเนี่ยเข้าใจกันให้ดีคนเกิดมาวันเดียวมันพิจิตรีงโ ต, ต, ตไม่ได้จำเป็นมันต้องหาที่เลี้ยง อันนี้พวกเรามาที่นี่ฟังวันเดียวนี้เข้าใจเลยแกมแจ้งเลยท่านว่าอย่างไ น, นไม่มีอันใดมาข้องแวะไม่มีอันใดมาปิดบงังเนื่อเราแตกปุ๊บย่างน้ำขึ้นได้ทันทีเลยเพียงเข้าเพียงแค่เดินไปได้มีกําลังแรงดีกว่าผู้มีศรัทธาเราไม่หยุดไม่เสาแม่ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนว่าจะกําหนดวันที่สีก็ตามเรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องทําเราต้องพูด เราต้องคิดไปให้หมาถึงจุดหมายปลายทางได้ทันวันอย่างนั้นเก็เป็นการเข้าไปกับพระพุทธเจ้าทันวันอย่างนั้นอันนี้ในทางตรงกันข้ามเองทั้งหมดบวชมาลอยสันสาก็ตามถ้าหากยังไม่รู้จักสภาพภาวะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่การบวชของคุณนั้นเป็นหมันเป็นโมฆะไม่มีค่าไม่มีคุณในการบวชในทางพระพุทธศาสนาเลยฉันว่าอย่างนั้นเพราะว่า บาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเพราะตำหรับตำรามีอย่างนั้นท่านว่าอยานั้นคุบาอาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงสัมผัสแนบแนนสภาพรุภาวะเช่นว่าอาการเกิดดับนี่คนนี้แหละมีประโยชน์มีค่ามีคุณวันนี้เรากำหนดกันว่าวันที่สี่แต่ยังท้อถอยไม่ได้ เพราะเรายัางไม่เข้าใจไม่แก่นแจ้งในสภาพดุภาวะเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจแก่นแจ้งสภาพดุภาวะเช่นนั้นแล้วเราก็ยังทอดถอยไม่ได้เพราะเราทําคมรู้สึกตัวตื่นตัวทําคมรู้สึกใจตื่นใจพยายามให้รู้ให้เห็นเข้าใจเลยว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงดังนั้นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนคนได้ทุกระดับ อยากเป็นผู้หญิงก็สอนได้อยากเป็นผู้ชายก็สอนได้อยากเป็นเด็กก็สอนได้อยากเป็นคนแก่ก็สอนได้เป็นคนหนุ่มคนสาวก็สอนได้ให้ว่าคนแล้วสอนได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่สอนทันว่านั่นเรียก ว, ว่ากามารมณ์กามารมณ์ตกอยู่ในอารมณ์สภาพภาวะเช่นนั้นทันว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่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 มันจะถอนตัวกลับมาเรียกว่าอุปปะธรรมโมอคุปปะธรรมโมท่านวปาริหานธรรมโมอภิรหนะนธรรมโมเจตนาภพพโพอนุรักขณาภพพโพท่านว่าอย่างนั้นยิงว่าอานุเป็ว่าน้อยบางทีอาจจะถอยหลังก็ได้จะเดินหน้าก็ได้อย่างน้อยเราต้องอยู่กับที่ท่านว่าอย่างนั้นย่าถอยหลังอยาถอยหลังมาจริงๆเดินหน้าไปให้ได้ท่านว่าอย่างนั้น <c oughs> ตัวหนังสือที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราจวดอธิธรรมเกตกัน ไปให้บุญคนตายไปสุ่คนตายปุตตะธรรมโมอากุปะธรรมโมปาิหาณะธรรมโมเยตนาภะประอนุโลักขนะภะพุระปุธขตโนโคตะระภูเนี่ยเนาะย้อยไปให้พ้นเห็นว่าอย่างนั้นพระรกลิกยันอยู่ทีนี้ไปให้พ้นพระกลิกก็เลยไปพ้นได้เป็นพระอรหรันต์ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี้การฟังหนังสือการฟังครูบาอาจารย์เทศทุกคนไปเราต้องฟังให้เป็นท่านจึงว่า ทำบุญให้เลือกวดัดตักบาตรให้เลืกพลาดเราจะไปเลือกได้ทําไมเพราะเราไม่นูนเราตกอยู่ในน้าลึกน้ำท่วมสิสะก็ได้บ้านหลวเขาเรียกน้ำท่วมหัวมองไม่เห็นทิศทางเลยเราจะอยู่ที่ไหนไมาเลยถ้าหากว่ารู้จักรูปนัดคนในวารเรื่องตัวเองเลยรู้จักเลยนามพน้นคอแล้วไปตามได้รู้จักเลือกได้คนใดพูดไม่มีสาระเลิกได้ท่านทว่าให้ลืมความหลังอย่าไปยึดถือความหลังทันว่าอย่างนั้น บ้า น, นี้คนที่รู้จักวัตถุปรมาทดีแล้วยิงสว่างดีเออนะ่โอ้คนนี้พูดไม่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อเคยถามคนเกิดมาเมื่อไหร่วันไหนปีใดอายุกี่ปีกี่เดือนพ่อแม่สอนเรื่องอะไรให้จริงไหมจำได้ไหมจําไม่ได้อันนี้ก็เพียงว่าไปเสือหวมของคนไม่จริงคนพูดไม่จริงมาหลอกเราเราก็เสือไป เพื่อไปเพราะเรื่องเพราะคนไม่รู้ถ้าพูดจริงๆแล้วก็อยากจะเครียดได้พูดไเครียดตกนรกเลยขวมไม่จริงเครื่องรางของขังกระตุกมุนยันการปลุกเสกเลือกงามยามดีมีตาทิพย์หูทิพย์แบบนั้นเขาว่าหลอกได้แต่คนงโง่เท่านั้นเนี่ยคนตลาดหลอกบ่ได้มาหลอกจังโหลพอนี่โอ้โหแม่ขนาดนี้หนอนนี่แหละเพื่นว่าทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทำบาปเบียดเบียนตนเองและคนอื่น ท่านว่าไงไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติตามผู้เช่นนั้นท่านว่าไงแต่พวกเราฟังไม่รู้เลยพวกเราฟังไม่รู้เลยเพราะเรายังไม่คุ้นหูเพราะเรายังไม่เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดภาษาเมืองเลยนมู้ทันฟังอาจจะบุคุ้นหูนะจาเป็นต้องอดเอาทนเอาฟังหลายครั้งหลายหนอาจจะเข้าใจได้ในคําพูดคําสอนอ น, นั้นดังนั้นจึงว่าการมาจเจริญสติ มาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาไอย่างไงการมาทําคมรู้สึกทําคนรู้สึกตัวตื่นตัวการมาทําคมรู้สึกใหญ่ตื่นใหญ่จึงมีอานิสงมสม์เป็นทางเดินคนเดียวเป็นทางเอกคำว่าทําเดินคนเดียวเป็นยังไงก็คนอื่นจะมารู้ดีเหนือเราไม่ได้เป็นทางเอกคนอื่นจะมาซอดซ่องมองเห็นที่ลับของเราไม่ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ เป็นทิฏฐีความเห็นถูกต้องแท้ผิดก็ต้องไปจําเป็นทุกก็ต้องไปต้องจําเป็นตัดสินใจลงไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทํามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รู้เลยนะพระองค์ใดเทศดีโอ้เขามาลอกเราเออสัตว์แล้วเนี่เราเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกเป็นเพื่อนกันเกิดรวมทองสา ย, สายใส้แห่เดียวกันอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดกันนะมานี้ก็เสื้อฟังไปเลยเออทําบุญให้ทาอย่างนั้นอยง เมื่อถามถึงเกิดเมื่อใดวันใดไม่รู้เลยท่านรู้ไหมเกิดจากท้องแม่เมื่อเวลาเท่าใดหลุดออกจากท้องแม่ท่านมาไม่รู้เลยก็แสดงว่าจําสัตร์ที่ก่ออย่างไม่ได้ที่ไปจํำซาว์แล้วได้ทำอะไรคนนี่มันเข้าใจผิดกันอันนี้ท่านบอกเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติฟังเท่านี้ก็ไม่ถูกเลยอาจาไม่ถูกจริงๆ เมื่อมีถูกแล้วตั้งแต่อายุสี่สิบหกปีใครจะพูดยังไงบ่าวะมองเห็นจับใจควมได้ทันทีเลยเนี่ยเป็นยังไงทำเราใดแตะเป็นไปเพื่อครไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ทันไรยังไม่รู้เลยแต่ก่อนไม่รู้เลยตัวเองไปนั่งภาวนาพุทโธ ปวดโถ่เจ็บแทงเจ็บขาแทบจะตายเลยมันเหมือนแอ่ว่านหนวคนเดียว่าแอวมืนขึ้นมาทนเอาเอา้เอาเวทนามาแล้วเลฒนามาหายไปเพราะมันลืมตัวบางที่ก็หลับไปก็มีหลับนั่งเป็นเลีงเลยนอนลเลียงในว่าบ้านหนวคนเรียวนอนเลียงอันนั้นก็แสดงว่าไม่รู้จักเบี่ยเบียนตนเองนอกจากนั่นกินข้าวมือเดียวอาตมาไม่อยากกินข้าวเละกินทีละน้อยกินแต่น้อยอดเอาเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่า ไม่รู้จักเบียดเบียนตนเองยังไปสอนคนอื่นอีกด้วยนี่นะอยากไปกินมากอันนั้นว่าเบียดเบียนตนเองและคนอื่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่รู้เพราะเรื่องอะไรเพราะสัญญาไม่เกิดสัญญาคมรู้สึกอันนี้ไม่เกิดจึงไม่รู้อันนี้พูดกันจริงจริงเลยมันจะรู้ทําไมไม่ได้เคลื่อนไหวกว่าอย่างไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยเดินไปนั่นมานี่ทั้งวันทั้งปีทั้งศาสตร์ไม่รู้เลยไม่เคยกำหนดมันจะมีงานอันไรมาเกิดขึ้น มันไม่รู้เลยเนี่ยบัดนี้มือเรจากควรู้สึกอันนี้อ้าวทําไมว่าพูดอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าของเรานี่เองไปศึกษากับอาลาดาบทจนได้สมาบัติตอันนั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นมาอดเข้าอดน้ําอันนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เบียงเบียนตนเองและคนอื่นคนมีปัญญาพูดให้ฟังอันนี้หลวงพ่อพูดมาบ่อยๆไม่รู้เลยคนไม่รู้เพราะมันไม่มีสัญญาันั้นเองคือยานปัญญา วิปัสนาจึงไม่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัวบาดค น, นยังมีอย่างโอ้ยมาวอลอว่าบา้บาบาบไม่มีตำรานไม่มีจริงแต่มันมีแล้วจริงของจริงแท้ของเดิมแท้มีในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนซาใดภาษาใดถือศาสนาไหนถือศาสนาใดศาสนาลัที่อันใดก็ต่างมีเหมือนกันหมดยกเว้นไม่ได้ให้ซื้อว่าคนละมีเหมือนเดียวเป็นตัดจากแท้แล้วตัดจากธรรม สัจจะแปลวของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกผันถึงจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นถึงไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นนิพพานนิพพานเนี่ยที่ว่าไม่ค่อยรู้กัน yani. อย่างที่นิพพานเนี่ยมีอยู่ในคนทุกคนเดินไปไหนมาไหนเราเห็นนิพพานเราก็อยู่ด้วยนิพพานเมื่อเราไม่เห็นนิพพานเราก็อยู่โดยทุกกินโดยทุก น, นั่งนอนด้วยทุกจึงไม่เห็นทุกนั่นเองเอาบันี้กเอาเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องหนอน กับเทวดาใหัง น, นอนจึงไปอยู่ในส้วมไม่รู้จักของโสโคกเทวดาต้องไปอยู่เมืองสวสรรค์จึงรู้จักของสโครกอันนี้ก็เหมือนกันคนอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ก็ถือว่าทุกข์นั้นเป็นความสุขถือว่าทุกข์นั้นเป็นอารมณ์เอาทุกข์เป็นเจ้าเรือนเอาทุกข์เป็นอารมณ์เดียวนั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ยื น, น, น, น path, ด้วยทุกข์เดินไปไหนไปด้วยกินด้วยทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเหมือนกับนอนอยู่กองอุจจาระนั่นเอง เลื่อนอนอยู่ของเหม็นนั่นเองเลื่อแมงวันไปจอมแต่ของเหม็นไรมันเจ้าของเหม็นมันไปไม่ได้มันจะโพกเข้าไปแต่หาของเหม็นนั่นเองบัตดีแมงผู้แมงเพิ่งไม่อยากไปเลยไปหาของเหม็นมันไปหาตอมเอาจะกระสอนดอกไม้ดอกไม้อยู่ที่ไหนมันไปหาแมงผู้แมงเพิ่งเนี่ยอยู่ที่ไหมันรู้จักดีมั้ดังนั้นจึงว่าให้เราเข้าใจจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยล่วงมาได้ห้าพันปีเท่านั้นเอ จะมือตุ๊บเหมือนกับคนยู่ในถ้ำนี้เองครับจะไม่รู้ทิศทางเลยมีเทวดาปิดไว้ปิดโยงกระเวตนี่คนหวา้ฟังไม่รู้จากทิศทางเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนวันนีพ้พระโพธิลูกจะเป็นอิฐเห็นดินปูนก็ตามมาเท่านันว่าเมื่อเจ็ดวันเจคืนแล้วก็จะเหาะไปเลยเป็นรวมตัวกันเอาสมมุติเอานะวัสนามไหนเนี่ยพอดีมารวมตัวกันนี่นะลูกธาดอันนั้นนะแตก โอไปไฟมาอะไกันไม่ไปมืดโอ้แต่เนวันอันดวงจิตวิญญาณเนี่ยมันพูดภาษาบ้านตัวเองมันถนัดแต่พูดภาษาอื่นเนี่ยมันพูดางาดวงจิตวิญญาณที่ไปติดอยู่กับพระพุทธโลกจิตธิด่นปูนนั้นเท่ากับเม็ดเงาี่มารวมตัวกันเข้าเป็นรูปเจ้าสายศิทธัตถะกุมารนกจีนมาเป็นพระพเจ้าสแสดงธรรมที่เม็เจ็ดวันเจริญเปิดโลกเป็นว่าบัด น, นี้ก็แสงตะวันก็ค่อยไม้ออกมาไม้เอาม า, มอ า, มาดอกไม้ที่ต่างสี เส้นได้ดีสลับสีดูได้เพราะพือ้ออกไปนั่งเป็นแถวเป็นฐานกันทั้งวันแล้วก็เข้าลุกเขา้ารอยฟังการอ่ายวันนี้ดอกไม้ที่กําลังอัดแน่นอยู่กระสอเมืนแถงตะเวนโพออกมาโพออกมาโพออกม า, ออกมาความอบอุตนมันอัดแน่นขึ้นมาแล้วก็บานขึ้นได้เรามาทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราฟังโดยความเค้าลบฟังโดยคนเข้าใจมันก็บานได้มันก็รู้ได้ทันว่าอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจนึกว่า เป็นพระพุทธรูปจริงๆหลวงพ่อเคยให้ทานเคยรักษาศีลป้าถนาอยากไปเกิดที่นั้นทุกระสร้างอดเอาเข้าใจอย่างนะแต่ความจริงแล้วพระพุทธรูปอันนี้ห่อไปไม่ได้โวยเพลินเปิ ด, ป ด, ปดอบรมนี่ปัจจนาวัฒน์ามในเนี่ยไปเลยว่าเป็นห่อไปนะอันเนี่ยรูปอันนี้เนี่พระพุทธรูปอันนี้หลยมันมีในเราเนี่ยเดินมาท า, ทางดูใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยรถเข้ามาบูธ น, น, น, นี่วัฒนนาในเพราะมันทางรถอยู่พุ่นบางคนยุคใ่ใหญ่อย่าง ย, งยกเหรียญเนี่ย ขึ้นเครื่องบินมาจากเซงกโปโภเนี่มันห่อมาโบเบนห่อมาได้นักเครื่องบินมาได้นั่งโบเบนห่อมาได้นั่นมาไปฟังท่านวา่างนั้นบเบนรูปพระธาตุอันนี้รูปคนนี่แหละไปฟังพันวาไปฟังพจนว้าหนักเบาขนาดใดอะไรพจนว่าจังไดห้ห้องศึกษาจังไดอะไรเหมือนโบเบนห่อมาโนบอันนี้แหละสามารถที่จะเพื่อปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นเจบิงเสียสละทรัพย์เพราะหักษานอวัยวะ เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาของจริงบจําเป็นหลวพอไปพูดใส่หลวงพ่อไม่ทิ่งเลยของจริงจะจะพูดไปไกลๆหลวงพ่อก็ต้องพูดมาให้มาจุดจริงๆนยจําเป็นต้องตัดเสื้อในร้อนนี้ให้ขาดจริงๆถ้าหักตัดบกขาดแล้วมันจะบกเข้าสู่สภาพของมันจริงๆหลวพอเคยเปรียบเทียไบไปบ้าอยากมาทุกครั้งพืน่นหลวงพ่อเนี่พูดคันโบได้พูดคํานี้แล้วมันไปโบได้ดังนั้นจังสัด จะความจริงมีแล้วในคนทุกคนแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเองดังนั้นการเจริญดิพตนานี่ให้เราเข้าใจว่าคําพูดคําสอนของครูบาอาจารย์ดีแล้วแต่เราฟังไม่เป็นเท่านั้นเองเมื่อเราฟังเป็นเลือกคัดจัดเอาแต่เนื้อดีๆทั้ทงนั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีทางตม้มมีทางน้ำมีทางเนื้อมีทางรสมีทางทุกอันที่เข้ามาเนี่ยเลือกกินเอา ถ้ากินอาหารไม่ดีเป็นก้างปักคอตัวเองพันวาถ้าเลือกกินแต่อาหารที่ดีลดดีปรับปรุงร่างกายอ้ ว, น, ว, น, วนสมบูรณ์ดีทันว่าอย่างนั้นยีว่วอดข้าวอดน้ำพ็ดีแล้วไม่อดพอดีแล้วถ้าหากว่าไม่ไปเจรเลยดิปัสสนากตามถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าตัวเองได้ศึกษาเรื่องชีวิตตัวเองถ้าหากว่าไม่รู้อย่างนี้แต่นั่งอยู่ในรรมร้อยวันพันปี ก็แสดงว่าตัวเองยังมืดบอดวกวนตกอยู่ในถ้ำนั่นเองไม่เห็นรูปทรงของถ้ำเลยจุดไฟขึ้นมีความสว่างมืดมันไม่ออกจากเราหลวงพ่อเคยเปรียบอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ได้มีหลักวิชาการอื่นๆนักครูต่อสู้ขึ้นมาซกหลุมตาปุ๊บทีเดียวออกจากถ้าได้ทันทีเลยเนี่ยหลวงพ่อว่าไม่ต้องซกบนอื่นนะซกตาเลยทีเดียวครูต่อสู้มาเอา้าซกบ่อยเข้าบ่อยเข้าจําเป็นแสนเปี้ยนเป็นเป็นเอง ไม่มีใครมาให้ใบประกาศานิยบัตเลยอันนี้แสนเปี้ยนอันนี้ดังนั้นจริงห่าให้รู้จากความคิดจริงๆมันคิดอยากเข้าไปในความคิดพอได้คิดปุ๊บทำความรู้สึกอันนี้นี่มันหายเองความคิดมันหยุดเองมันจริงหมดทุกต้องกําหนดรู้อันนี้เป็นรูปทุกจริงว่าให้รู้จากรูปรู้จากน้ําพื้นฐานอันนี้จริงๆลงหลักลงเข็มอันนี้จริงๆรูปอันนี้เนี่ยมันเป็นรูปเนี่ยรูกน้ําเนี่ยเป็นรูปน้ํารูกทำทำแล้วเนี่ย รูปนั่งยืนที่เป็นรูปเป็นนามเฉยๆยกมือขึ้นเป็นรูปทํานามธรรมเมื่อเจ็บหัวปวดท้องเป็นรูปโรคนามโรคบัด น, นี้ไม่เจ็บหัวไม่เจ็บท้องคิดรักชอบพอใจในทางตรงกันข้ามเบียดไม่พอใจเบื่อหน่ายแน่จิตวิญญาณเป็นโรคแล้วรูป ก, กายไม่เป็นอะไรทำไม่เป็นอย่างนั้นเรียว่าอนัตตายแห่งธรรมมันเป็นอย่างนั้นทันว่าอย่างนั้น ทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญมีโนดทาให้จ้งพูดมาแทบจะตายตั้งแต่อายุสิบกว่าปีพูดมาไม่รู้เลยอายุสี่สิบหกปี เ, เรื่องเล็กไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆพิ้ตาเดียวหมื่นขึ้นสว่างเลยอันนี้เราไม่ทำให้มันแจ้งป้วกลัวอะไรดัง น, น, นั้นคนเจริญนิปสนานันทน่ว่ามันมีหลายขูกนะอาจารย์เข้าสานักนั้นออกสานักนี้น เพราะเรายัางไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำเรายัางอยู่ในมงคุ่นเป็นอไรออกจากมุงเสียออกจากถ้ำเสียมาอยู่นอกถ้า ม, มาอยู่นอกมงดูรูปทรงของถ้ำดูรูปทรงของมงุงมันมีเี้หูบ้านหลวงอเรียกว่าเี้หูเสี่เจียมงเสี้เจียมหรือว่าเป็นมุ่งกลมดูลูกมันหยิบไปไว้ที่ตรงไหนเอาเข้ายังไ ง, ง, ไงรไงู้ออ จ, จักอย่างนั้นประตูเข้าถ้าเป็นอย่างนั้นออกจากถ้าเป็นรู้จักอย่างนี้แล้ว เข้าสารได้ออกสารได้สมมุติเท่านั้นเองดังนั้นอย่างที่หลวงพอ่อพูเมื่อกี้เนี่ยพระอะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วพระอาจารยบุตรพระอะไรอะพระอนุรุทธะพระอะไรเขาเป็นว่าเข้าสารประกอบพุเพราะรู้จักรูปทรงของธรรมนั่นเองอที่พูดให้ฟังมาวันนี้ก็อนึกว่าพยายามพูดให้เข้าใจเรื่องสมมุติเอามาเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นเองแต่เราต้องรีบเดินไป หนีไปให้พ้นจริงๆมันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดโลกนี้จริไม่น่าอยู่ไม่น่าสมเลยเพราะพระเจ้าตันวาา น, นั้นดังนั้นนิพพานนะจึงมีในคนทุกคนทําการทํางานด้วย น, นิพพานกินด้วย น, นิพพานนอนด้วย น, นิพพานไปไหนมาไหนเอานิพพานไปด้วยนิพพานหมายถึงอะไรคือความตายนั่นเองไม่ใช่ตายอันนี้นะความดับสนิทนั่นเองนิพพานนิพพานจีว่ามีแล้วในคนทุกคน นิพพานจึงว่ามันเป็นซื้อเหมือนเท่าไหร่นิพพานจึงว่าดับความร้อนให้เยน็นกูบาอาจารย์บอกว่าต้ม อ, อาหารร้อนๆมาจะกินไม่ได้เลยกูบาอาจารย์เล่ฟังคนอินเดียพูดว่าให้มันนิพพานก่อนนะฉันนั่นแหลเป็นซื้อขำพูดเยใครจะแตะยังไงมาก็ได้เถอะนิพพานอย่างที่หลวงพ่อพูดดีนิพพานหมายคือความดับมันขาดแล้วนิพพานที่ว่าไม่มีการซื้อจะต่ออีกแล้วเพราะยังว่าคนมดกิเลสนั้น ตายแล้วจึงไม่เกิดคนให้หมดกิเลสตายได้ยังเกินเพราะมันติดกันนะจ๊ะวะกิเลสที่เป็นยางเหนียวถ้าหากไม่อน้ำมันล่อลื่นมาใส่เดิมันจะติดกันอยู่ทุกขณะทุกเวลาเอาแหละที่นําธรรมะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วในขณะนี้ก็ตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีแล้วนาฬิกาหลวงพ่อเช่นนาฬิกาคนอื่นที่เป็นยังไงบุูุ่นอย่างมพ่อรู้ดีเต่นาฬิกาหลวงพ่อจัง ตำหนิผเผยหลวงพ่ออยู่ใส่ลหลวงพ่อรู้จักหมดลีรับอยู่ขนาดไหนหลวงพารู้จักคนอึ่นก็นจะรู้จักอย่างนั้นเอาเละท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในาสถานที่นี้อาตมาขออ้างเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันทาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิจใจของพวกเราให้พวกเราศึกษาหาของจริงแท้ของเดิมแท้มีอยู่ที่เราเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้ คนแจลูกเอกมาแล้วลูกเอกคือลูกเดียวรู้จับตัวเองนี่แหละไปไขเปิดออกมาจริงๆหนายของที่คั่วหน้าไว้พราพเจ้าว่าเปิดของที่ปิดให้คนแจปากตายด้วยคนแจเรือนเนี่ยหลวงพ่อบุญผู้อยกไปไขนอ็อตตอนนี้เราไม่มีคญแจก็เอามือบิดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเลยวันเนี้เอาคนแจเข้าไปซุกพอดีจับเหวเหีวมุนไปนิดเดียวก็เข้าได้ออกได้หมุนทายนะอย่าไปหมุนหัว หมุนขัวเข้าแน่นเกี่ยวมันหมุนซ้ายขายออกมาเองจับของอย่าไปจับอัไรสิจับของที่คว่ำหนะจับหยิบกระหม่อมะไสิไม่ใช่จับยกอะไรีิจับหมายอะไรสิจับไหนอะไริเปิดเอามาจริงๆลาบรองบอกว่าไม่พลาดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนแน่ที่สุดจึงว่าเราศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานะต้องศึกษาของจริงมีอยู่ในตัวคนศึกษาเอานอกตัวเราแล้ว ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบเห็นดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาไหนซีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้